สัมพุทัสสปัญจหิตพิกขเวธรรมเหิสมณากโตอุปาสโกอุปาสการัตนัญจะโหติอุปาสกาปทุมัญจัอุปาสกาปุนดริกันจา ติดอีณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าได้เรื่องอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อต้อนรับท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมุ่งหน้ามาสู่วัดปรยุรวงสาวาสเป็นวันพระ ต้องการที่จะมาหาสาระในวันเช่นนี้หาสาระจากทานหาสาระจากศีลหาสาระจากสมาธิหาสาระจากปัญญาท่านจะได้มุ่งหน้ามาพร้อมเพียงกันเมื่อมาแล้วก็เข้ามาสู่พระวิหารแห่งนี้ อันเป็นสถานที่เสริมสร้างสาระให้กับชีวิตของท่านซึ่งทางคณะสงฆ์วัดปยุรองค์นั้นได้เห็นความสำคัญของญาติโยมซึ่งมีศรัทธามีน้ำใจเดินทางมาสู่วัดเช่นนี้ก็ถือโอกาสดีนาทีทองต้อนรับท่านทั้งหลายวันพระอื่นๆนั้นเวลาญาติโยมมาถึง จะได้ดื่มกาแฟอ ร, อ, อร่อยอร่อยโอเลี้ยงอร่อยอร่อยแต่ว่าวันนี้ไม่ซาวาร้านกาแฟไปไหนอาจจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารก็ได้โยมนะอันยาจโจงก็พึ่งตัวเองไปก่อนแม่ย่าจโจงจะไม่ได้ลิ้มชิมรสเครื่องดื่มต่างๆแต่ว่าย่าจโยมทั้งหลายก็จะได้ลิ้มชิมรสธรรมะ ซึ่งคณะสงฆ์วัดปยุโรวงศ์นั้นต้อนรับท่านเสมอตามปกติวันพระใหญ่คือแรมส4บสี่ค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำพระเดช พ, พระคุณท่านจะคุณพระพมบันดิตหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะถือโอกาสลงมาแสดงพระธรรมเทศนาต้อนรับยากโยมแต่ว่าวันนี้ท่านเดินทางไปต่างประเทศ คือไปประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่เมืองบอสตันไปาศาสนกิจสำคัญคืองานผูกพัทสีมาวัดนวมินของในหลวงราชการที่เก้าซึ่งวัดแห่งนี้ก่อนที่จะมาเป็นวัดเป็นสถานที่เลี้ยงม้าของชาวฝรั่งประชาชนถิ่นนั้นเขาเรียกกันว่าบริเวณค อ, อกม้า ห่างจากตัวเมืองไปประมาณสักชั่วโมงกว่าบัดนี้สถานที่แห่ง น, นั้นกลายเป็นวัดวาอารามชื่อเต็มๆว่าวัดนวมินทราวราอารามชื่อยาวมากโจมจําง่งายๆว่าวัดของรัชกาลที่เก้าประจําเมืองบอสตันพระเดชพระคุณพ่อได้คณะสงฆ์จํานวนไม่น้อยได้ทราบข่าวว่าประมาณสองร้อยกว่ารูปเหมือนกัน เดินทางไปที่ประเทศอเมริกาผ้ากาสาวพัฒน์นี่เรืองสพัฒ์ไปทั่วเมืองแต่เดิมอาตมาก็จะต้องเดินทางไปเหมือนกันแต่วันนึกถึงเรื่องเครื่องบินเนีย่ยว่าโอ้โหมันไกลเหลือเกินเดินทางไปอเมริกาสมัยหนุ่มๆ น, นั้นก็แย่แล้วแต่ว่าไปตอนนี้มันจะสักขนาดไหนญาติจมนึกดูสิประมาณสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงอย่างเร็ว เร็วช้าที่สุดก็ประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงโดยเหตุท่นนี้ก็เก็บสังขารร่างกายเอาไว้เททยมฟังก่อนให้พระหนุ่มๆเดินทางไปที่สาเหตุที่พระเดชพระคุณท่านไม่ได้เดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมที่นี่เมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจจะมาหาสาระแก่ชีวิตเช่นนี้ อาตมาก็จะขอเสนอธรรมะเพิ่มสาร้าหกับชีวิตของท่านในวันนี้จะเสนอเรื่องอุบาสกอุบาสิการัตนะหรืออุบาสกอุบาสิกาแก้วโดยจะแสดงตามแนวแห่งพระบารีที่องค์สมเด็จพระจินท์สีบรมศาสดามีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกใจความว่าปัญจหิพิกเวทัมเมหิเป็นต้น ซึ่งแปลว่าดูกระภิสูุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการอุปาสกรรตรนังชื่อว่าเป็นอุบาสกแก้วอุปาสการปทุมังแปลว่าเป็นอุบาสกดอกปทุมอุปาสกบุนดริกังก็แสดงว่าเป็นอุบาสกดอกบุนดริกคือดอกบัวขาว แล้วคุณธรรมห้าประการของอุบาสกหมายถึงอุบาสิกาด้วยนะฮะว่ามีอะไรบ้างกะตะเมหิปันเจหีแล้วท่วานก็ตัดไปว่าสัตโทหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองศีรวาเป็นผู้มีสินสามอโกตุหระมังคีโกโหติกัมมังปัจเจติโนมังคังก็แปลว่า ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อการบันดาลแล้วประการต่อมาข้อที่สี่ก็คือนอิโตพะิธาทักขินัยังเขเวสติไม่แสวงหาทักขินาคือบุญสำคัญนอกจากพุทธศาสนานี้ข้อที่ห้าอิทะปุพพการังกโรติก็แปลว่าให้การสนับสนุนค้ำจุนในพระพุทธศาสนา ถ้าจะเรียบเรียงให้คล้องจองให้ญาติโยมจำกันง่ายๆ <c oughs> ก็เรียบเรียงได้ความว่าอุบาสกอุบาสิกาที่แท้นั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้หนึ่งจะต้องมีศรัทธาสองรักษาศีลธรรมสามเชื่อกรรมไม่เชื่อการบันดาลสี่ทำบุญสุนทานตามพุทธวิธี ถ้าแสวงหาความดีในพระพุทธศาสนาอันนี้โยมต้องจำให้ได้นะพระเดี๋ยวเทศเสร็จแล้วจะมีการสอบลายตัวว่าโยมจำได้ไหมถ้าจำได้ก็มารับรางวัลไปแต่ถ้าเกิดว่าโยมจำไม่ได้นะก็เสียใจนะรางวัลที่ให้ไม่ธรรมดานีโยมเนี่ยบอกไว้ก่อนญาติโยมของเราเดี๋ยวนี้ก็ชอบรางวัลกันอยู่ ที่ไหนที่ไหนที่มีการให้รางวัลแล้วก็ชอบมีโยมถวายรถมาแล้วก็ถวายป้ายมาแปดเก้าแปดพอเข้าวัดท่านนั้นโยมแทงตามนั้นถูกรตเตอรี่กันใหญ่แล้วก็บอกด้วยความดีใจว่าแม่ผมถูกรตเตอรี่จากเบอร์ของท่านเจ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็บอกอย่ามาบอกเลยท่านแน่จริงต้องมาถวายค่าน้ำมันสิหมดไปไม่รู้กี่พันแล้ว โยมก็หันหลังเดินเฉยเลยก็แสดงว่าชอบรางวัลกันอยู่ญ <c oughs> าติโยมที่นี่ก็มีรางวัลก็มาเกี่ยวข้องนิดหน่อยคุณโยมจำให้ได้ว่าคุณสมบัติของบายสุบวาสกวาิกาห้าประการคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือว่ามีศรัทธาสองรักษาศีลธรรมประการที่สามเชื่อกรรมไม่เชื่อการบันดาลสี่ทำบุญสุนทานตามพุทธวิธี ห้าแสวงหาความดีในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาท่านใดประพฤติได้เช่นนี้องค์สมเด็จพระจินร์สีตรัสจกจ้องว่าเป็นอุบาสิกาแก้วเป็นอุบาสกแก้วจัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาดอกปทุมจัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาดอกบุญริษฐหมายความว่ายังไง อุบาสิกากบแก้วอุบาสิกาอุบาสิกาศก อ, า อ, าอุบาสิกาแก้วนั้นหมายถึงว่าเป็นอุบาสิก า, ก า, กาที่มีใจใสใจสูงเหมือนแก้วญาติโยมดูเดอะคริสตัลในโบสถ์เนี่ยเขาไม่ได้วังไว้กับพื้นเขาแขวนไว้เพดานสูงๆทำไมจึงแสงไฟแขวนไว้ที่สูงก็เพราะแสงมันทําให้ใสมันทําให้สว่าง อุบาสกอุบาสิการัตนะก็มีเช่นเดียวกันนะประการที่สองอุบาสกอุบาสิกาดอกประทุมหมายความว่าอย่างไรดอกประทุมหมายถึงอะไรญาติโยมดอกประทุมหมายถึงความสวยงามความมีคุณค่าประทุมก็คือดอกบัวนะนะั่นแหละญาติโยมสังเกตดูว่าถ้าพุทธปฏิมาบางาเนี่ จะมีรูปฐานเป็นดอกบัวก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เชิดชูทำให้จิตใจนี่มีความสูงส่งมีความสูงค่าพระพุทธเจ้าของเราตามประวัติตอนที่อุบัติมาเนี่ยน ะ, สะเสด็จเดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยแล้วก็ประทัดลงบนดอกบัวทั้งเจ็ดเก้าเลยตรงนั้นหมายความว่าอย่างไร มหมายความวชิวิตของพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถานี้จะมีความสวยจะมีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมมากแล้วประการต่อมาอุบาสกุบาสิกาถ้าประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้งหประการนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกุบาสิกาดอกบุนดาลิกบุนดาริกนั้นเป็นดอกบัวขาวหมายถึงความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจ ท่นญาตโยมก็ลงมาตรวจสอบคุณสมบัติตั้งห้าดูสิถ้าาแม้นว่าคุณโยมยังมีไม่ครบหรือยังไม่ถึงเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปทุกข์กบุกใจหนักอกหนักใจแต่ประการใดเราก็เพิ่มพูนพัฒนาไปเรื่อยๆตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนภาวิตาหนึ่งก็คือพัฒนาพระหูรีกตาหนึ่งก็คือทำบ่อยๆทามากๆ ญานีกตาก็คือทำให้ติดเป็นนิสัยของเราทำดีนี้ที่หมายถึงทำกุศลทำบุญสนทานต่างๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วก็เข้าหลักว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาดอกบัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาบุญทริกพระพุทธเจ้าตัดยกย่องอนาธบินิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างว่าเป็นอุบาสก เป็นทายกคนสําคัญถ้าเอ่ยถึงอนาธิมิติกะเศรษฐีญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอาจจะสนใจหรือบางท่านเนี่ยเคยสนใจมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดก็น่าที่จะได้ผ่ากันดูวิเคราะห์กันดูว่าอุบาสกท่านนี้มีความสําคัญประการใดบ้างอนาธิมิิกะเศรษฐีนี้มีคุณสมบัติเด่นๆ เ, เนี่ยอย่างน้อยสี่ประการญาติโยม ประการที่หนึ่งท่านเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ประการที่สองมีใจเมตตากรุณาประการที่สามมีปัญญารักษาตนและประการที่สี่เป็นจอมพลแห่งกองทัพถัพสี่ประการเนี่ยเอ้าทวนให้ฟังอีนิดหนึ่งโยมประดิษฐ์ก็จดไปด้วยประเดีจ๋จะได้แจกจ่ายโยมย้อยนีย่คงจะไปจดข้างนอกวิหาร ประการที่หนึ่งก็คือว่าเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ประการที่สองมีใจเมตตากรุณาประการที่สามมีปัญญารักษาตนเรื่ประการที่สี่เป็นจอมพลแห่งกองทัพธรรมที่พูดเช่นนี้ไม่ได้พูดเองแต่เก็บจากเกลี่ย ม, มุมประวัติของท่านชัดเจนมากประการแรกท่านนาธิมิกาศเศรษฐีเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เดิมนั้นท่านชื่อสุทัตต์พ่อของท่านก็เป็นเศรษฐีชื่อว่าสุมาณะเศรษฐีภรยาของท่านก็เป็นลูกเศรษฐีภรยาคนท่านชื่อว่าอุญญลักขณามีลักษณะที่มีบุญงดงามทุกทกอย่างหน้าตาก็ ง, งดงามผิวพรรณก็งดงามวัยก็งดงามเกิดในตระกูลของเศรษฐีชาวเมืองราชครื้ และได้มีโอกาสมาแต่งงานกับท่านสุทัตตะสุทัตตะผู้นี้แรกที่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพอได้เอิดพอมีใครเอ่ยคําว่าพุทธเจ้าเท่านั้นหูท่านพึงเลยก็คือว่าท่านไปทําธุระที่กรุงราชครื้แล้วปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยเขากําลังตระเตรียมถวายอาหารพระพุทธเจ้า เห็นแล้วก็ให้สนใจก็เลยถามว่านี่ทำอะไรกันพวกคุณก็บอกว่ากำลังจ ะ, ะเตรียมพระตาหารถว า, ายพระพุทธเจ้าท่านก็ถามพระพุทธเจ้ามีแล้วเลยเขาก็บอกว่ามีแล้วเท่านั้นะท่านเกิดปราบพื้มปีติจิตใจปลอดปร่งโล่งเบาสบายทำให้เกิดปราบพื้มปีติมากคืนนั้นนอนไม่หลับเพราะตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนไปเฝ้าที่ป่าสีตะวัน ตีตะวันนั้นก็อยู่ด้านหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองราชครึกปัจจุบัน ญ, ญาติโยมไปก็จะพบนะอ น, นาธิมีกะเศรษฐีอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเต็ทีนอนไม่หลับคืนนั้นพอไปถึงใกล้สว่างก็รีบเดินทางไปเลยพอเดินทางออกจากประตูเมืองไปก็ไปเจอป่าที่มันมีความมืดก็ตกใจใหญ่ตกใจมาก ในขณะนั้นสีวะกายักษ์นี่นะฮะซึ่งเป็นยักษ์ที่คุ้งครองพระสาสนาได้มากระตุ้นศรัทธาให้นาบินิกะเศรษฐีว่าใหญ่ย่นร้อยยอดท้อถอยจงยกเท้าก้าวเก้าวไปเถอดท่านเศรษฐีท่านจะได้พบองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าอนาธินิกะเศรษฐีที่มีความกลัวก็เลยหายกลัวตรงนี้หมายถึงความมีศรัทธามีความเชื่อมั่น ว่าความคิดที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นจะต้องไม่ล้มเลิกนี่เป็นลักษณะศรัทธานะโยมนะศรัทธาอันเป็นคุณสมบัติของบาสกบาสิกาอนาธบินิกะเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเห็นแล้วปลื้มใจมากได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาจากองมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาฟอกใจเศรษฐีให้มีศรัทธาในการทำบุญยิ่งขึ้นแล้วท่านเศรษฐีก็อารัธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันประต า, าหารในวันรุ่งขึ้นที่บ้านที่แกพักนั้นน่ะได้ทราบข่าวว่าเป็นบ้านของพี่ชายภรรยาพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคำอารัธนาถึงเวลาก็เสด็จไป อนณาจะมีบิกาศเศรษฐีนะั้นเป็นพ่อครัวหุงข้าวต้มแกงเองเสร็จเลยทำอาหารทุกอย่างมีคนมากมายขอช่วยท่านบอกว่าไม่ต้องขอทำเองเถอะนี่เป็นกำลังศรัท ธ, ธาแรงกล้ามากพระพุทธเจ้าไปฉันแล้วท่านก็ทูลรัตนาว่าขอให้พระพุทธเจ้าและพระพิสุสงฆ์มูใหญ่สเสด็จไปเมืองสาวัตถีบ้างเถิะเพราะท่านเศรษฐีท่านอยู่ที่เมืองสาวัตถี ตอนนี้ท่านมาทำธุระที่เมืองราชครืพระพุทธเจ้าก็ส่งคำรับรับคำรัตนาอ น, นาเทมินิกะเศรษฐีนั้นได้เชิญชวนบรรดา น, นักธุรกิจในครั้งกระโน้นช่วยกันสร้างวัด45วัดตลอดเส้นทางจากกรุงราชครืไปกรุงสาวัตถีซึ่งมีระยะทางไกล45โยชน์ โยมนึกดูแล้วกันแล้วกันว่าโยอหนึ่งนี่กิโลครึ่งกิโลหนึ่งเท่าไหร่แลกกิโลเมตรก็ประมาณหนึ่งพันเมตรกิโลครึ่งก็คือว่าหนึ่งพันห้าร้อยเมตรความไกลเป็นอย่างนั้นแต่แต่ละยอแต่ละยอนั้นมีวัดประจำอยู่เสร็จเลยห้าสี่สิบห้าวัดด้วยกันโดยท่านอนาธิมินิกาเศรษฐีพร้อมด้วยมิตรสหายซึ่งเป็นนักธุรกิจ ได้ร่วมจิตร่วมใจสร้างถวายเป็นสังฆบูชาเป็นการบูชาสงฆ์หรือเป็นสมบัติของสงฆ์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่กรุงระที่กรุงสาวัตถีหลังจากที่ท่านเศรษฐีนั้นได้สร้างวัดถวายวัดที่ท่านเศรษฐีสร้างถวายนี้ชื่อว่าวัดเชตวันมหาวิหารเป็นพระอารามใหญ่อารามหนึ่งทายาติโยมเดินทางไปทัวอินเดียคุณโยมก็จะไปเห็นซากวัดเชตวันใหญ่มาก น่าชมมากที่วัดนั้นนะแล้วที่วัดเชตวันมหาวิหารนี้จะมีต้นโพอีกต้นหนึ่งชื่อว่าอาณันทิโพธิหรือว่าต้นโพอานนท์ทำไมจึงมีต้นโพปลูกอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าธ่นนาทิบินิกาเศรษฐีผู้ใจบุญท่านนี้แหละต้องการให้ประชาชนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เวลาพระพุทธเจ้าไม่ประทับอยู่ที่วิหารแห่งนี้ที่วัดแห่งนี้สเสด็จไปที่อื่นญาติโยงก็จะได้มากราบมาไหว้ต้นโพเวลาพระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับที่นี่ชาวเมืองสาวัตถีก็นับไว้โชคดีมีทั้งต้นโพมีทั้งพระพุทธเจ้าเรียกกันว่ามีชนปูชนียวัตถุและปูชนียบุคคลทั้งสองแล้วต้นโพต้นนี้ก็อัศจรรย์นักโยมญาติทั้งหลายปัจจุบันยังมีอยู่ ยังไม่ตายตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนแน่นอนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดมีในโลกนี้เพียงแต่ว่าเราเกิดไม่ทันแต่ว่าต้นไม้มันมีอายุยืนยาวกว่าเราเนี่ยมันก็ยืนต้นยืนยันให้กับพวกเราได้รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้านี่มีพระชนอามาชีพอยู่ ฉะนั้นอานันทโพธิหรือว่าต้นโพพระอานนท์นี่มีอยู่ทําไมจึงชื่อต้นโพพระอานนท์ญาติโยมทราบไหมก็เพราะว่าอานาเทมิตรกะเศรษฐีนี่ลราไปหาเรือพระอานนท์เวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วญาติโยมรู้สึกเหงาหงอยเศร้าซร้อยว้าเววังเ ว, ง, วงยังไงชอบกนน่าจะมีสิ่งแทนพระพุทธองค์สักอย่างนึงต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ากลับไปที่วัดเชตตะวันพระอานนท์กรเลกาถูเรื่องนี้ แล้วพระอานน์เนี่ยก็ทูลว่าน่าจะได้นำต้นโพอันเป็นสถานที่ตัดสรู้นั้นต้นไม้ตัดสรู้นั้นมาปลูกไว้นี่สักต้นหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตแล้วให้พระโมคคาณะนี้เหาะไปอเอาเมฤ็ดโพนี่จากริมแม่น้ำเนลัญชลายอยู่คนละที่ในโยมนะแล้วก็เหาะมาปลูกจนกระทั่งเนี่ยโพนั้นได้แตกกิ่งแตก ก้านสาขาออกมาสูงประมาณสักศอกหนึ่งแล้วคณะสงฆ์ก็จะมอบให้พระเจ้าปเสนที่โกศลเป็นประธานในการปลูกแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลกับมองเห็นความสำคัญของอนาธิบินิกะเศรษฐีว่าเป็นอุโ บ, บุคคลที่มีความสำคัญเป็นบุคคลที่มีเกียรติขอให้เศรษฐีปลูกเองเศรษฐีก็เลยลงมือปลูกต้นโพต้นนั้นปัจจุบันยังอยู่ ท่านนาตาธิมิกาเศรษฐีท่านเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่นอกจากว่าท่านจะอุปถัมภ์ขั้งจุนพระพิสุสมมนเณนีแล้วท่านยังเป็นนักบริจาคทานตัวยงปอเต็ตงนี่เทียบไม่ได้คนยากคนจนคนพิกลพิการสารพัดเนี่ยท่านได้ตเตรียมอาหารข้าวเสื้อผ้าอาหารเงินทองไว้กับคนทั้งหลายเหล่านี้ โดยเหตุที่ท่านทำอย่างนี้เป็นประจำชื่อของท่านจึงเปลี่ยนจากสุทัต t h มาเป็นอนาธมินิกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้มีข้าวปลาอาหารสำหรับคนที่ยากจนอนาถาชื่อของท่านเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่คือท่านเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่สองท่านมีใจเมตตากรุณาสูงมากอนาธมินิกะเศรษฐีนี้มีใจเมตตากรุณายังไง เทพธิดาตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิไม่เห็นด้วยกับการทำบุญสุนทานของท่านเข้าไปหาท่านแล้วก็คัดค้านว่าขอให้ท่านเลิกทำบุญเถอะใส่บาตรอาจารย์วิเชียนทุกวันเนี่มีแต่เปลืองเปลืองไม่ไหวอย่ไปใส่เลยหยุดใส่เถอะท่านเศษรษฐีโกรธเว้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วไล่นางเทพธิดาออกจากบ้านตัวเองนางเทพธิดาเกิดสำนึกผิดไปปรึกษาเท้าสักกะ ซาสกะบอกว่าจะต้องไปขอเอาขออภัยท่านเศรษฐีเสียแล้วช่วยกอบคู่ฐานะท่านเศรษฐีฟื้นคืนดีเหมือนเดิมทำได้ไหมเอาถ้าทำได้ก็ตกลงนางเทพพิิดาก็ทำอย่างนั้นท่านเศรษฐีท่านมีใจเมตตากรุณาแล้วท่านก็ให้อภัยให้เทพพิิดาได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตนเองต่อไป แสดงว่าท่านเป็นผู้ไม่ถือโกรธไม่มีความอาฆาตมาร้ายนี่ก็เรียกว่ามีใจเมตตากรุณาท่านเศรษฐีเป็นผู้มีปัญญารักษาตนนะอนาธิมิตรการเศรษฐีนี่ท่านเศรษฐีนะ่ะถูกพวกอันภานปองร้ายถึงสองครั้งแต่ว่าท่านก็แคล้วคลาดทุกครั้งไปครั้งหนึ่งท่านไปทานเลี้ยงที่บ้านเพื่อน แล้วตั้งใจว่าจะเดินทางกลับประมาณหกโมงเย็นแต่ท่านคิดยังไงไม่ทราบท่านเดินทางกลับก่อนบ่ายสามโมงท่านก็เดินทางกลับเป็นเอาวพวกโจร น, นั้นมานี่ไม่พบท่านเศรษฐีผิดหวังที่เป็นเช่นนี้ท่านกล่าวว่ามีเทวดาคุ้มครองท่านเศรษฐีเอาอีกคราวครั้งหนึ่งปรากฏนักเลงสุลามาพบท่านเศรษฐีระหว่างทาง ชวนท่านเศรษฐีไปร่วมวงด้วยท่านก็ไปร่วมวงแต่ท่านไม่ดื่มนักเลงสุราทั้งหลายมันเข้าใจว่าท่านเศรษฐีนั้นนะ่คงจะรู้ไม่ทันพวกมันกำลังที่จะได้ปลดไอ้เครื่องประดับตัวของท่านนะเพื่อจะนั่นนำไปจำนองจำนำท่านเศรษฐีท่านก็รู้ทันท่านก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะการทำอย่างนี้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรทางที่ดีแล้วใช้แขนใช้ขาที่ดีอยู่นั่นทำมาหากินดีกว่า ท่านยังสอนนักเลงทั้งหลายเหล่านั้นนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอีกนี่ก็คือว่าท่านมีปัญญารักษาตัวหรือมีปัญญารักษาตนท่านเศรษฐีนั้นเป็นจอมพลแห่งกองทัพธรรมตรงนี้หมายความว่าไงญาติโยมหมายความว่าท่านเศรษฐีนี้ท่านเป็นนักเผยแผ่แนวหน้าชอบไปหาปริภาชกตามสำนักต่าง แล้วปริพาชกนั้นคือผู้ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็มักจะตั้งปัญหาเนี่ยที่มันเป็นข้อขัดแย้งกับหลักพระพุทธศาสนาท่านเศรษฐีนั้นท่านเป็นนักโต้เนี่ยเป็นนักแก้ไขปัญหาพอไปโต้กลับมาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านต้องเข้าวัดเป็นประจำทุกวันวันละสามครั้งไปทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าวันนี้ไปพบกับปริพาชก ท่านนั้นมาท่านนี้มาเขาได้กล่าวโจมตีพระพุทธองค์อย่างนั้นอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้า็ได้ทําการโต้อตอบ ก, กับเขาจนพวกนั้นนั่งนิ่งไปเลยอย่างนี้ญาติโยมก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นจอมพลแห่งกองทัพธรรมได้แล้วเวลาใครมาถามว่าจะดีวัดประยุรวงศ์ได้รับรางวัลในเ x ็ e ซ l เลนต์อเว์มันเป็นยังไงโยมก็ชี้แจงแสดงไปได้เลย ท่านเจ้าคุณบุญมาเป็นยังไงท่านอาจารย์วันลบเป็นไงอาจารย์วิเชียนเป็นไงญาติโจงก็โอ้สามารถเนี่ยเป็นกระบอกเสียงได้เลยมระชาพมีใครมาพูดถึงไม่ได้เหลืองทั้งนะั้นอย่างนี้ก็เสร็จแล้วแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้หรอกขนาดวันพระเนี่ยเราใช้พิธีกรเอกสองท่านเนะี่เดี๋ยวนี้ก็เลยพิธีกรคู่เนะยอาจารย์ทองย้อยกับอาจารย์ประดิษฐ์นะั่นเอไม่ใช่ใช้คนเดียวนะ แสดงว่ากองทัพของเราเนี่ยไม่ธรรมดามีจอมพลถึงสองคนต้องช่วยกันอาราธนาศินช่วยกันประกาศอุโบสถนี่ช่วยกันอย่างนี้ดีญาติโยมที่มาทุกวันทุกวันในญาติโยมก็ฝึกไว้มั่งสิประกาศอุโบสถว่ายังไงประกาศอุโบสถนี่สําคัญนะต้องว่าเพลอเนะจะต้องว่ายคล้องจองสำนวนดีๆเหมือนคําประกาศของคอสอชเนี่ย เขาเรียบเรียงคําพูดไปอย่างดีเลยนะมีคนเรียบลุงเรียบเรียงให้อ่านเรียบร้อยสํานวนต่างๆสํานวนเก่าๆก็เรามีอยู่สมัยคุณโยมมหาอัดเนี่ยเอาเทศมาฟังทายอมคาประกาศของเราในไพเราะเพราะพิ้งเป็นสัญลักษณ์ของเราวัดปยุโรงนี่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์แต่ญาติโยมเข้ามาวัดจะโยมศึกษาให้ลึกซึ้งแม้แต่การสวดสั่งฆ่ห่านนี่ก็มีทํานองของวัดนะ มีทานองของวัดประยูนมีทานองของวัดโพมีทานองของวัดราชสิทธิ์แม้แต่การเทศนาเราก็มีลีลาประจำวัดเหล่าเรียกว่าลีลาสานิกาป้อนเยื่อการเทศนั้นตามสูตรของนักเทศ น, น์มันมีอยู่ทั้งหมดห้าสูตรด้วยกันโยมหนึ่งขี่ม้าเรียบค่ายสองกระต่ายติดสิงสามลิงส่งเสียงสี่เอี้ยงคาดหญก ห้าสาริกาป้อนเหยื่อที่วัดของเราในเป็นลักษณะสาริกาป้อนเหยื่ออะไรต่วมี้อะไรก็เป็นไปในลักษณะสาริกาป้อนเหยื่อสาริกาป้อนเหยื่อก็คือมีการสัมผัสว่าแบบรวบลัดไม่เยินเยอะไม่ว่าจะการเทศการธรรมต่างๆก็เป็นไ ป, ไ ป, ไปในไปในทานองนี้จึงมีพระพิสุสมมเนรเดินทางมาศึกษาที่สำนักของเรา แล้วญาติโยมฟังลีลาศสลิกาพ่อนเหยื่อเช่นฟังพระเดชพระคุณทัชยคุณเจ้าวาดฟังท่านพระครูประหลัสุวัฒ น, นบัณฑิตคุณอาจารย์วรลบเหล่านี้นะท่านเป็นพระครูประหลัดฟังหลวงพ่อวิเชียนก็จะพูดเป็นทํานองเดียวกันว่าโอ้ฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจเกิดความเลื่อนใสศรัทธาในการฟังธรรมนี่มันมีลีลาอย่างนี้ญาติโยมก็ศึกษาเอาไว้ด้วยแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติกัน พูดกันประกาศกันทำให้เกิดความแค่คร่องเป็นอันว่าวันนี้อาตมาได้กล่าวถึงสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแก้วหมายถึงว่าท่านทั้งหลายก็สามารถเป็นได้เช่นกันทำอย่างไรจึงจะเป็นได้ประการแรกก็คือว่ามีศรัทธามีศรัทธาในอะไรล่ะมีศรัทธาในเรื่องการตัดสรูก ข, ของพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเปลว่าครอบคลุมไปทั้งอีกสามศรัทธา กรรมศรัทธาวิปากศรัทธาครอบคลุมไปด้วยกรรมสัทธาเชื่อกรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมสกตาสัทธาเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะมีกรรมเป็นสมบัติเป็นของตัวและตะถาคตตาโพธิศัทธาเชื่อการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ามีศินนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วนะว่าศินนั่นมันคืออะไรท่านทั้งหลายก็ตั้งใจรักษาสินกันอยู่แล้ว เรีกรับษาจินธรรมบำเพ็ญบุญทานตามพุทธวิธีอย่างที่คุณโยมทั้งหลายทังบนอยู่แล้วและสแสวงหาดีในพระพุทธศาสนาตรงนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าสแสวงหาดีหมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างว่าการบำเพ็ญฌานเนี่ยมันมีฌานนอกพุทธศาสนาภาวนานอกพุทธศาสนาถ้าญาโยมเนี่ยบำเพ็ญภาวนานในพุทธศาสนาญาติโยงก่าพ้นจากกิเลส อันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ถึงบรมสุขคือพันิพาได้นี่ความหมายมันเป็นอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบวาสมบัติของบาสปบาสิกาเป็นเช่นไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายเพิ่มพูนพัฒนาให้เกิดมีในตัวของท่านเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดมีแล้วก็ทำให้ชีวิตของท่านพ้นจากความทุกข์ประสบความสุขดังที่ประสงค์จงทุกประการรัตนตยานุภาเวนะ ขอเดชะพระพุทธรัตน์จงกำจัดทุกเจริญสุขสิริสักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์จงช่วยกำจัดผ่านให้เปศสารผุดผ่องพ้นผองไยขอเดชะพระสังครัตน์จงกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระตนตรัยขอญาติโยมทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีมีความสุขทุกประการเทศนาบรรหาร ซึ่งได้ชี้แจงแสดงมาโดยประสงค์ก็ขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้